เรื่องนี้นายทองคำได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เนี่ยค่ะจากนายนพผู้ที่ติดพันหญิงคนรักที่มีพื้นเพชาวสวนในฝั่งทนบุรีสมัยโน้นเป็นสมัยที่ยังไม่มีสะพานพุทธทยอดฟ้าข้ามแม่น้ำคนฝั่งกรุงเทพจะไปมาหาสู่ฝั่งทนต้องลงเรือจ้างข้ามมาหากันค่ะผมกลับรถจากอายุธยามาถึงกรุงเทพเป็นเวลาบ่ายพอถึงสถานีหัวลำโพงก็แนวจะกลับบ้าน ผมคิดถึงแตงอ่อนใจรรอนๆด้วยจากเธอไปทุระในอยุธยาซะสามสี่วันเธอคงจะคอยพบผมอยู่ทุกวันท้งแม่ดวงและเจ้าไปรคงบ่นถึงกันแย่สองคนที่ผมกล่าวถึงนี้คือพ่อสื่อและแม่สื่อของผมนั่นเองสองผัวเมียคู่นี้เช่าสวนส่วนหนึ่งของแตงอ่อนผู้ซึ่งเป็นลูกผู้มีอันจะกินในย่านวัดใหญ่ทนบุรีบางคืนที่ผมจะไปพบแตงอ่อน ได้จะต้องอาศัยกระท่อม น, น้อยๆของผัวเมียคู่นี้พักก่อนพอทำแสงไฟเป็นสัญญาณทางแตงอ่อนก็จะอยู่บนบ้านแล้วก็แอบลงมาหาผมในสวนเสมอช่วครูช่วยามแล้วก็รีบกลับขึ้นบ้านส่วนผมก็บังเงากลับมาโจ้สดากับพ่อไบร้าตามเคยโดยรีบข้ามเรือจ้างมาขึ้นที่วัดมอนบางหลวงเดินตามตรอกตามสะพานเล็กๆมาถึงกระท่อมพ่อรไรทแม่ดวงแต่เวลาบ่าย สุราที่ผมซื้อติดมือมาด้วยพร้อมกับหูหมูบ้างเป็ดพะโลบ้างก็เปิดวงร่ำกันเป็นนิดผมจากไปทุราเสียที่อยุธยา 3-4 มสี่วันโดยบอกกล่าวไว้แล้วทั้งแม่แตงอ่อนแล้วก็เจ้าไร้แตงอ่อนรู้กันดีว่าผมจะไม่อยู่ถ้ากลับมาวันใดผมจะทำสุมไฟเผาใบไม้แห้งเอากระสอบคลุมปิดเปิดควันไฟขึ้นเป็นกลุ่มๆบนอากาศขึ้นๆลงๆตามที่กระสอบคลุมแล้วก็เปิด แตงอ่อนก็จะรู้ว่าผมมาเพราะการนัดหมายอย่างนี้เราจะทำกันจนจำได้ออกจากสถานีหัวลำโพงขึ้นรถรางมาบ้านผมที่ตรอกม่อข้างวัดสุทัศน์จะเก็บกระเป๋าเดินทางอาบน้ำแล้วก็จะตรงไปฝั่งธนบุรีทันทีแต่ครั้นมาถึงบ้านแล้วเหตุการณ์พิเศษก็ได้เกิดขึ้นทำให้ผิดความตั้งใจแต่เดิมไปบ้าง คือข้างบ้านมีผู้ที่นับถือคนหนึ่งเกิดสิ้นชีพจะไปรดน้ำศพในตอนเย็นผมจำเป็นจะต้องรดน้ำผู้มีพระคุณก่อนแต่ทางแตงอ่อนจะไม่รู้เรื่องการหายหน้าของผมผมจึงรีบเก็บของเข้าห้องแล้วก็พละจากบ้านรีบข้ามฝากลงเรือจ้างท่าปากคลองตลาดแต่พอจะลงเรือเท่านั้นผมหันหลังมาดูอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจก็พบกับแตงอ่อนโดยไม่คาดฝันเธอมากับมารดากาลังเดินตำหลังผมมา ผมสะดุ้งเมื่อเห็นแตงอ่อนผมเลยหยุดยืนอยู่ข้างทางเดินคอยหาโอกาสจะทำใบบอกนัดหมายว่าคืนนี้จะไปหาพอดีมานดาของเธอหยุดซื้อขนมแห้งๆที่วางหาบขายข้างสะพานจะลงเรือแตงอ่อนมีหน้าตาร้อนรนทำมือโบอกไปโบกมาเป็นทำนองห้ามผมแต่ผมไม่รู้ความหมายของเธอก็เลยทำปากบุ้ยใบเป็นท่าทางถามเธอว่าเธอว่าอะไรแต่เธอกลับทำหน้าตื่นกลัวและโบกมือห้าม ผมก็ยังแสดงท่าว่าไม่รู้ความหมายของเธออยู่นั่นเองเธอยิ่งทำท่าร้อนรนเธอชี้ไปที่เรือจ้างแล้วชี้ต่อไปถึงฝั่งทนแล้วก็ทำหน้าเบ้เบ้โบกมือห้ามผมจึงพอจะเข้าใจความหมายของเธอว่าเธอห้ามไม่ให้ผมข้ามฟากไปฝั่งทนหรือในหนึ่งไม่ให้ผมไปหาเธออย่างเคยแม้ผมจะพอเข้าใจความหมายของเธออยู่บ้างแต่ว่าตาก็ยังคงมองดูเธออยู่อีกเธอทำมือคว่ำๆงายๆหลายตลบ ทำตั้งฝ่ามือตรงแล้วก็ทำฝ่ามือล้มลงนอนลงท้ายโบกไปโบกมาเป็นการห้ามผมผมเข้าใจความหมายเพียงการโบกห้ามเท่านั้นแต่ตอนสัญญาณรับตอนต้นๆไม่เข้าใจเลยแต่การจะถามและจะพูดคุยกันโดยออกเสียงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมารดาของเธออยู่หลุดตัวไปที่ว่ามารดาของเธอไม่รู้จักผมเลยเราจึงมีโอกาสแอบตีธงกันอยู่ได้ ตอนท้ายเธอโบอกมือให้ผมกลับบ้านผมสงสัยอยู่ในท่าบอกใบ้นั้นผมจึงทำใบ้ถามไปคือการเอานิ้วชี้ที่ตัวเองแล้วผายมือไปทางถนนแสดงว่าผมต้องกลับใช่ไหมเธอพยักหน้าตอบพอดีมารดาของเธอซื้อขนมเสร็จห่อแล้วจ่ายเงินแล้วก็ชวนกันลงเรือผมก็ยังคงยืนดูเธอด้วยหัวใจระส่าระสายมืดแปดด้านไม่รู้ว่าเธอว่าอะไร เธอหันมาดูผมด้วยสายตาละห้อยละเหี้ยแสดงว่าเธอห้ามผมไม่ให้ไปหาเธอนั้นด้วยความจนใจจำใจจริงๆผมใจหายพอเรือจ้างพลท่าไปผมก็เดินกลับหัวใจฟูงซ่านและกลัดกลุ่มใครบ้างล่ะครับจะไม่กลับกลุ่มมาพบเอาความมืดแปดด้านเข้าแบบนี้ถ้าเธอไม่มากับมารดาเราก็คงจะรู้เรื่องกันแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวก ค, คุณคงจะสงสัยหรือว่าปลงอนิจจังว่าผมเนี่ยช่างกลัวมารดาของแตงอ่อนซะจริง มันมีเรื่องที่จะต้องกลัวนี้ครับถ้ามานดาของเธอรู้เรื่องหรือระแวงใจเราก็พบกันไม่ได้แน่นอนและรายที่สุดในไบร้และแม่ดวงจะต้องระเหตดพ้นจากสวนไปแน่ๆเช่าเขาอยู่แล้วก็ยังเป็นแม่สื่อแม่ชักต้องคืนสัญญาเช่ากันโดยเด็ดขาดผมต้องระวังข้อนี้เป็นการใหญ่ถ้าเราปกปิดไว้ได้จนกว่าเราเก็บเงินเก็บทองในการทางานของผมได้พอก็จะหาผู้ใหญ่ไปติดต่อสู่ขอแตงอ่อนเป็นทางการ เวลานี้ก็ต้องคลุมคลุมไปอย่างมืดมืดพอไร่ของเราเขาปลูกพูขายไม้มากทาั้งฉะนั้นแตงอ่อนมักจะอ้างมาว่าเอาพูที่กระท่อมพอไร่เสมอโอกาสของเราก็เลยอยู่ได้กันชนี้ ผมกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วก็แต่งตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่ที่ผมชอบพอนับถือแล้วก็เคยมีบุญคุณกับผมอยู่บ้างบางประการแต่แกยากจนข้นแค้นตายลงก็แทบจะไม่มีเงินซื้อโลงใส่เพื่อนบ้านใกล้เคียงช่วยกันออกเงินซื้อและจะช่วยสวดให้สักสามคืนผมเองก็เล่าปัญหาอะไรโดยนับถือกันและมีคุณกันอยู่บ้างก็จําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันไปบ้างทั้งแรงและเงินทองคนผู้เท่าผู้นี้เป็นโรคที่โบราณเรียกกันว่าฝีในท้อง ทะเรียกันตามแพทย์รุ่นใหม่ก็คือโรคลำไส้เป็นฝีเห็ดเล็กในลำไส้เขาว่าถ้าฝีแตกก็คือความตายมาถึงนั่นเองศพอภาคลุ่มไว้ตอนจะใส่โลงสับปเปลอกก็ทำการมัดนี่สิศพกระเทือนกลิ่นเหม็นจากการเน่าในท้องก็ฟุ้งตลบผมทนไม่ค่อยจะไหวจึงแอบเข้าพวกคอสุราดื่มซะเ ต, มเต็มแก้วแต่การดื่มสุราก็ไม่ได้ทาให้หายเหม็นได้เลยแต่ก็รู้สึกว่าแก้การผื่ผอมไปได้บ้าง ดื่มสุราแล้วแกล้มด้วยของเปรี้ยวแก้ความคลื่นเหียนไปได้กว่าศพจะเข้าโงก็เกือบคำ่ำผมบอกกับใครๆและภรรยาผู้ตายว่าขอไปทุระสักชั่วโมงประเดี๋ยวจะกลับมาใจไม่สบายเลยถ้าไม่ทราบว่าแตงอ่อนมีเรื่องอะไรจึงห้ามไม่ให้ผมไปหาเป็นตายยังไงก็ต้องไปพบเจ้าไพรแล้วก็แม่ดวงให้ได้เรือจ้างกว่าจะมาถึงวัดมอก็ค่ำมากแล้ว ผมนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ซื้อเหล้ามาฝากเจ้าปพรยอย่างเคยก็เลยหันหน้าเดินตามตรอกย้อนออกมาสะพานเจริญพาดข้ามสะพานไปสู่ตลาดคว้าเหล้าโรงได้สองขวดเป็ดพะโล่หนึ่งซี่ขอดีแล้วตัวเองสั่งเจ๊กตวงเต็มเต็มแก้วดวดเข้าไปเป็นทุนซะก่อนแก้กรุ้มใจ จะช่วยให้ใจแข็งเพราะเพิ่งผ่านการอาบน้ำศพมาหยกๆยกภาพยังติดตามไม่หายทั้งทางเดินต่อไปก็ไกลและไม่ค่อยจะมีคนใจมันก็ชักจะฝ่อๆความไกลของตรอกนี้พอตึงๆขาก็เกือบเมื่อยจึงเข้าเขตวัดใหญ่หนทางนั้นแม้จะมืดสักหน่อยแต่ผมก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงเดินได้สบาย พอถึงทางซอยแยกเข้าสวนพ่อไร่ผมก็เลี้ยวขวับเข้าไปไม่ต้องมองกันละว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะมาสนับไม่ท่วนเอากันว่าแรมปีทีเดียวมองเห็นกระท่อมเจ้าเงาะกับรจนาและจุดไฟไว้แดงๆพอใกล้เข้าไปผมก็เลยรองเรียกชื่อเจ้าของกระท่อมทั้งสองคนพอดีเห็นแม่ดวงโผล่ประตูออกมา เขายือนอยู่ที่ธรณีประตูแสงสว่างข้างในพ่นออกมาทำให้มองรูปร่างไม่ดวงเป็นหนังตะลุงหน้าตาไม่เห็นเป็นภาพดำๆพอเป็นร่างคนแต่จะมืดอย่างไรก็ตามร่างนั้นก็จำได้ว่าเป็นแม่ดวงพี่นบเหรอเขาร้องถามเอา้าก็นบนะสิผมตอบไปนึกว่าจะไม่มาซะอีกแล้วหายไปหลายวันเลยนะแม่ดวงต่อว่าหูกว่าจะเสร็จทุระอยา ก, กลับมาจะตายคิดถึงแทบแย่ฮะคิดถึงฉันหรือว่าคิดถึงใครกันแน่ แม่ดวงกระเซ้าเย้าแหย่แล้วก็หัวเราะอย่างสนุกผมไม่หัวเราะด้วยถ้าขืนหัวเราะแล้วก็จะสมจริงว่าผมคิดถึงแตงอ่อนหาได้คิดถึงแม่ดวงหรือเจ้าไพรเพราะคําคิดถึงของผมมันคลุมเครือโธ่คิดถึงจริงๆนาะคิดถึงทั้งสองคนแหละผมบอกพี่เขาไปไหนกันล่ะพี่ไปร้นี่ยหรอก็ไปร้นะสิแม่ดวงหยุดนิ่งสักสองสามอึดใจแล้วถอนหายใจยาวฉันก็ยังไม่รู้เลยพี่ว่าเขาไปไหนฮะ อยู่ด้วยกันไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าไปไหนจริงฉันไม่สบายอยู่หลับไปจนค่ำตื่นมาก็ไม่เห็นเขาเลยอ้าวนี่ฉันซื้อเล่าซื้อเป็ดมากะจะกินกับเขาเขาไปไหนล่ะเอาวางไว้ข้างในเธอคะ่ะแม่ดวงพูดเดี๋ยวฉันจะเที่ยวเดินไปหาให้แถวนี้แหละคงไปบ้านใครแถวนี้เองแม่ดวงพูดแล้วก็หายไปในความมืดผมหันหน้าเข้ากระท่อม วางขวดเหล้าและเป็ดลงที่ยกพื้นจากดินเป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นผมสังเกตข้างๆตาว่ามีอะไรผิดแปลกไปบ้างแสงแตะเกียงสว่างเห็นมุมกระท่อมด้านโน้นมีตู้อะไรผิดตาก็เลยเหลียวมองนิดนึงถ้าจะไประจะเกิดได้เงินพิเศษอะไรมาจึงซื้อตู้อะไรมาปิดกระดาษเป็นดอกดวงที่คนจนๆชอบใช้กันมากถ้าเขาลืมหน้าอ้าปากได้ผมก็ดีใจด้วย ผมไม่เอาใจใส่กับเจ้าตู้นั้นอีกเลยหันมาเปิดขวดเหล้าการกินเหล้าโรงเราเปิดกันสะถนัดทนีคือเอาส้นขวดกระทุงกับพื้นดินจุกขวดก็จะทะเลนขึ้นมาหรือบางทีก็หลุดจากคอขวดจนเหล้าไหลหกผมเปิดแล้วก็หยิบแก้วที่หิ้งเคยหยิบเคยทำอะไรอย่างที่บ้านตัวเองดื่มแก้กระหายซะเต็มที่แล้วอย่างไรไม่ทราบเกิดสนใจเจ้าตู้ใบนั้นขึ้นมาก็เลยหมุนตัวไปดูอีกที แต่คราวนี้ผมถึงกับชะ ง, งักเพราะว่าสิ่งที่เห็นคราวแรกว่าตู้อะไรนั้นมันไม่ใช่ซะแล้วมันคือโรงผีมันเป็นโรงชนิดเลวๆโรงชั่วคราวต้องทำด้วยไม้ยางและต้องใช้กระดาษลายดอกไม้ที่พิมพ์มาจากนอกปิดไม่ให้เห็นเนื้อไม้ที่หยาบและก็ช่องห่างผมถึงแก่ยืนตาแข็งแปลอะไรไม่ออกใครตายแม่ดวงนะ่ะพบตะกี้จะไระหรือเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงแม่ดวงบอกหยบๆว่าเธอนอนหลับไป ตื่นขึ้นก็ไม่รู้ว่านายไพร์ออกไปบ้านไหนอย่างนั้นใครอยู่ในโรงล่ะผมชักยืนงันไม่กล้าขยับขยื้อนตัวคอเงียบหูฟังว่าจะมีใครมาบ้างมิฉะนั้นผมขาดใจตายแน่คุณพระคุณเจ้าขอให้ใครมาในเวลานี้ด้วยเถิดลูกจะขาดใจอยู่แล้วพอดีกันกับนกกุ๊กร้องอยู่บนยอดไม้ผมขนลุกสู้หัวใจวูบความจริงแม้จะเป็นธรรมชาติของนกกลางคืนมันจะร้องของมันแต่ในเวลาเงียบสงัดและตัวคนเดียวที่กําลังยืนอยู่กับศพ ซึ่งไม่รู้ว่าศพใครผมน้อยใจว่าแม่ดวงควรจะบอกผมว่ามีอะไรอยู่ในกระท่อมและยิ่งกว่านั้นยังทิ้งผมไปซะอีกเวลานั้นแสงตะเกียงชักจะอ่อนแสงลงน้ำมันคงจะน้อยหรือจนหมดซะแล้วกระมังถ้ามันดับคงจะทําอย่างไรฤทธิ์จุฬาที่ดื่มไว้หายหมดทันใดเสียงผู้หญิงร้องโอ๊ยอย่างระหโหยรุยแรงเหมือนครางมากกว่าร้องเสียงผู้หญิงนั้นอยู่นอกกระท่อมออกไปไกลใครมาและร้องแบบนี้เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้น แม่ดวงเป็นอะไรกระมังเอ๊ะหรือแม่ดวงกลับมาแต่คงต้องเจ็บท้องเสียงที่ร้องเป็นเสียงเจ็บปวดแม่ดวงท้องแก่อยู่แล้วผมยืนนิ่งหันหลังให้ประตูกระทอมหน้านั้นหันตรงลงผีอย่างไม่ยอมหันไปทางอื่นผมรอคอยแม่ดวงจะเดินกลับมาแม่ดวงทำอย่างไรกับผมหลอกผมให้มาอยู่กับผีและหลบเอาตัวรอดไปไหนทั้งแขนใจและทิ้งให้กลัวทาให้ผมคอแห้งผาก ในระหว่างที่ผมยืนตัวแข็งอยู่นั้นนั่นเองก็ได้ยินเสียงผู้ชายกระแอมและฝีเท้าดังอยู่ข้างหลังผมสะดุ้งตัวเพราะอยู่ๆก็มีเสียงเกิดขึ้นแต่แล้วใจก็มาซักกระบุงมีคนมาอยู่ด้วยแล้วไม่เป็นไรเอ๊ะนั่นในนบเหรอเสียงเ้าเ้าผมทักอยู่ข้างหลังอ่ะใจกล้าดีมาก ผมรีบหันกลับไปพบกับนายปานสับ ป, ปะเลอวัดใหญ่ผมดีใจแทบโลดในปานผู้นี้ชอบพอกับเจอาไร่และแม่ดวงทั้งเคยดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยๆหายไปไหนหลายวันในไปร้เ้ า, เาบ่นอยู่ทุกวันขาดเพื่อนดื่มกันไปในปานพูดลิ้นคับปากเคยจำกันได้ว่าในปานดวดเหล้ากันไปมากๆจะพูดเสียงนี้เฮ้อพวกเราคนนึงหนีเราไปซะแล้วนอนอยู่ในนั้นแหละเขาพูดแล้วก็ชี้มือไปที่โรงผมยังไม่ถามว่าใครที่อยู่ในโรง พวกเรานั้นใครกันหลักที่อยู่ในโรงใครกันหลักที่ตายผมถามโดยไม่ไหวอยากจะรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนถึงมาตายที่นี่ก็นังดวงนะสิผมเหมือนตัวกระดอนพื้นตาถลนตัวชาหัวใจมันวืดคล้ายจะหลุดจากที่ซวงอกแล้ววิ่งออกมาทางปากผมพูดไม่ออกหูผมฟังผิดไปหรือเปล่าหูผมผิดหรือในปานพูดผิดเพราะเมาสุราเขาเห็นผมนิ่งคงคิดว่าไม่เชื่อจึงพูดอย่างหัวเราะ นางดวงนั่นแหละตายทั้งแม่ทั้งลูกในท้องเนี่ยอยู่ในนั้นทั้งคู่เปิดดูก็ได้ลงไม่ได้ตอกตะปูฝาผมยิ่งชักจะตายไปเดี๋ยวนั้นแม่ดวงตายเอ๊ะก็เมื่อกี้โอ้ผมอุทานออกมาแม่ดวงหลอกผมแล้วพบกันพูดกันหยกหยกผมคอตีบตันไม่อยากจะพูดอะไรตายเมื่อเช้านี่เองพอไตรร้องไห้ร้องห่มเป็นลมหลายพักเวลาเนี้ไปนอนอยู่ที่กุฏิพระนู่นในปานพูดต่อ แล้วก็เหลียวไปพบขวดเหล้ากับห่อเป็ดพะโล่ก็หัวเราะแล้วก็ร้องว่าบ้าพบเหล้าเข้าอีกแล้วเมื่อกี้ไปฟาดที่ร้านมาครึ่งขวดก็เลยซื้อน้ำมันมาด้วยตะเกียงจะดับช่วยพาฉันไปหาเจ้าไบร้ทีผมพูดโพ้งออกไปอ้าวนึกว่าจะอยู่คุยกันที่นี่เขาว่าแล้วก็ยืนนิ่งสักสองอึดใจเอาไปก็ไปเขาว่าอย่างตัดสินใจแต่เอ๊ะต้องเติมน้ามันตะเกียงก่อน เขาพูดแล้วก็จัดการเติมน้ำมันตะเกียงที่มีแสงอ่อนเต็มทีเขาหมุนเกลียวคอตะเกียงแล้วก็เทน้ำมันลงไปพอน้ำมันลงเต็มแล้วแต่คอตะเกียงได้ดึงทั้งไส้ออกมาข้างนอกเรือนตะเกียงไส้มันแห้งอยู่แล้วไฟก็ดับลงมืดเหมือนเข้าถ้ำผมจะขาดใจให้ได้ในบัตรนั้นมีไม่ขีดไฟไหมนายปานถามผมรีบควักไม่ขีดไฟแล้วก็จุดให้ทันที กว่าในปานจะถอดหลอดตะเกียงไฟก็กินก้านไม่ขีดเข้าไปจวนหมดผมรีบจี้ไฟที่เหลือน้อยเข้าไปที่ไส้แต่ก็ดับพอดีก็รีบขีดไม้ขีดอันใหม่เสียงอะไรหล่นตุ๊บข้างนอกผมสะดุ้งใจหายวูบแถวนั้นไม่มีต้นมะพร้าวถ้าลูกแกหรือลูกที่กระรอกเจาะจะหล่นก็ไม่มีทางพอตะเกียงสว่างขึ้นหัวใจค่อยดีหน่อยแต่ก็ยังคงเต้นรัวไม่เป็นปกติเอาเหล้าไปกินด้วยผมพูดแล้วก็รินเต็มแก้วดื่มอึกอกเข้าไป แล้วก็รินใหม่ส่งให้ในปานเขาก็รับดื่มเช่นเดียวกันแล้วเราก็หยิบเหล้าหยิบเป็ดออกจากกระท่อมเอา้าเดินหน้าสิถ้ากลัวก็ในปานพูดเขาทายใจผมถูกเพงผมเดินหน้าอย่างค่อยๆกลัวจะห่างในปานลงมันปลอดลอยซะแล้วอยู่หน้าอยู่หลังไม่ไหวทั้งนั้นพอพ้นจากซอยของสวนเข้าสะพานไม้เป็นหมู่บ้านก็ค่อยยังชั่วแสงไฟตามบ้านพอสว่างถึงครั้นพ้นบ้านเข้าเขตวัดก็เงียบและมืดอีก ผมค่อยดีขึ้นเพราะฤทธิสุราที่ดื่มอย่างไม่ยั้งเข้าไปตะกี้ทำให้ใจกล้าขึ้นบ้างพอขึ้นกุฏิพระก็พบหน้าเจ้าไพรเจ้าไพรก็ร้องไห้โฮผมใจคอตีบตันแต่ก็พยายามปลอบใจเพื่อนไปตามเรื่องพอเขาหยุดร้องไห้แล้วผมจึงเล่าให้ฟังว่าแม่ดวงออกมารับผมที่ประตูกระท่อมคุยกันสองสามคำแล้วก็จากไปว่าจะตามตัวเจ้าไพรทุกคนงินงกพระอีกสองรูปก็พลอยเงียบงนันและตาโพลงไปตามกันเอ๊ะ ในปานร้องขึ้นฉันท้าจะค้างที่วัดนี่แหละแฮะใจไม่ดีซะแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นแหละใครจะกล้าเข้าไปเอาอะไรทำไมจึงไม่มีพระไปสวดกันละ่ะผมถามเจ้าไพรและในปานเจ้าของที่เขาขอร้องไม่ให้สวดเพราะคนในบ้านเขาเจ็บอยู่คนนึงจ้าไพรบอกผมนึกประวัติไปถึงแตงอ่อนทันทีอ๋อมีหน้าล่ะ เธอถึงได้ตีใบห้ามผมไม่ให้มาอ๋อมีการตายเกิดขึ้นนี่เองพุทธเ ถ, ถ้าเราพูดกันได้อย่างธรรมดาก็รู้เรื่องแล้วไหนจะมาให้เกิดทุกข์ล่ะพรุ่งนี้ค่อยเอาศพมาวัดสวดให้หน้าไฟแล้วก็เผาเลยหมดเรื่องในปานพูดคืนนั้นผมเลยค้างที่วัดไม่สามารถจะกลับบ้านได้ขาดฟังสวดทางบ้านโน้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปเล่าความจำเป็นให้ฟังผมกับในปานขออนุญาตพระดื่มเหล้าจะไพรก็ดื่มด้วยรู้สึกค่อยมีจิตใจที่ดีขึ้น